หนังสือเสียงวิธีชนะมิตรและจูงใจคนจากหนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดว์คาเนกี้แปลโดยอาสาขอจิตเมตรให้เสียงอ่านภาษาไทยโดยสราวุฒิชัยดีตอนที่6วิธีปฏิบัติ7ประการเพื่อทำให้ชีวิตในครอบครัวของท่านมีความสุขยิ่งขึ้นวงเล็บเปิดต่อวงเล็บปิดบทที่2ความรักอนัฒนาถาวร ข้าพเจ้าอาจจะกระทำความโง่หลายประการในชีวิตดิสเรลีกล่าวแต่ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้เกิดความโง่ที่จะแต่งงานเพื่อความรักเขาไม่ยอมแต่งงานเพื่อความรักจริงๆเขาอยู่เป็นโสดจนกระทั่งอายุ35ปีครั้นแล้วเขาจึงขอแต่งงานกับแม่ไม้ฐานะมั่งคั่งผู้หนึ่งแม่ไม้ซึ่งอายุแก่กว่าเขา15ปีแม่ไม้ซึ่งมีผมสีขาวจากอายุกำลังจะผ่านวัย50ความรักหรือไม่ใช่หรอกท่าน หลอนรู้ดีว่าเขาม่ได้รักหลอนหลอนรู้ดีว่าเขาขอแต่งงานกับหลอนเพื่อหวังเงินแต่อย่างเดียวเท่านั้น เหตุนี้เองหล่อนจึงขอร้องเขาอย่างหนึ่งหล่อนขอร้องให้เขาคอยหล่อนปีหนึ่งเพื่อหล่อนจะได้มีโอกาสศึกษาอุปนิสัยของเขาครั้นครบกําหนดหล่อนจึงแต่งงานกับเขาฟังดูเป็นเรื่องพื้นๆดีๆนี่เองดูเป็นการค้าดีๆนี่เองใช่ไหมท่านแต่แท้จริงเป็นเรื่องแปลกประหลาดอยู่ไม่น้อยทั้งนี้ก็เพราะการแต่งงานของดิสเรลีเป็นความสําเร็จอันรุ่งโรจน์ที่สุดในประวัติการแห่งการแต่งงานทั้งหลายกล่าวคือได้ดําเนินไปอย่างราบเรียบ โดยปราศจากความกระทบกระทั่งและร้าวรานอย่างใดทั้งสิน้นหญิงไม่ร่ำรวยซึ่งดิสเรลีเลือกเป็นเมียมิได้เป็นหญิงสาวสวยหรือเฉลียวฉลาดลอนอยู่ห่างไกลจากฐานะนี้มากในการสนทนาหลอนถูกหัวเราะเยาะ บ, บ่อยๆที่อ่อนความรู้ทางอักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เป็นต้นว่าหลอนไม่เคยรู้เลยว่าชาติใดระหว่างกรีกกับโรมันเป็นชาติเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง รสนิยมในเสื้อผ้าของหลอนแผลงกว่าผู้อื่นและรสนิยมในเครื่องประดับบ้านก็แปลกประหลาดผิดเพื่อนแต่หลอนมีอัจฉริยะอันแท้จริงในสิ่งสำคัญที่สุดของการแต่งงานศิลปะทางปรนิบัติผัวหลอนไม่เคยพยายามอวดฉลาดคัดง้างความคิดเห็นของดิสเรลีเมื่อเขากลับมาบ้านด้วยความอ่อนเพลียและอิดโรยในตอนบ่ายหลังจากได้โต้แย้งกันในสภาสูงกับพวกขุนนางผู้เิญฉ ล, ลาด แมรีแอนจะพูดหยอกเย้ยแล้วโลมให้เขาสบายใจเขาได้รับความกเกษมสุขเพิ่มทวีสูงขึ้นเรื่อยๆที่บ้านได้กลายเป็นสถานที่สําหรับพักผ่อนอย่างสําราญเบิกบานใจจากความอบอุ่นแห่งความเลื่อมใสบูชาของแมรีแอนระหว่างเวลาเขาอยู่ที่บ้านกับเมียสูงอายุของเขาจะเป็นชั่วโมงที่เขาได้รับความสุขสูงสุดในชีวิตหล่อนเป็นผู้ช่วยออกความคิดเห็นเป็นผู้ที่เขาไว้วางใจและเป็นที่ปรึกษาของเขา ทุกคืนหลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเขาจะรีบกลับบ้านเพื่อเล่าเรื่องต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในวันนั้นให้หล่อนฟังและนี่คือสิ่งสำคัญยิ่งเขาปฏิบัติงานใดๆก็ตามแมรีแอนเชื่อมั่นเสมอว่าเขาไม่มีวันประสบความล้มเหลวเป็นอันขาดนับเป็นเวลาถึงสิบสามปีที่แมรีแอนร่วมชีวิตอยู่กับดิสเรลีเพื่อดูแลให้เขามีความสุขและเพื่อเขาแต่เพียงคนเดียวเท่านั้นหลอนถือว่า หล่อนถือว่าความมั่งคั่งของหล่อนมีประโยชน์ก็เฉพาะแต่เป็นเครื่องส่งเสริมให้ชีวิตของเขาประสบความสะดวกสบายเต็มที่เขาเองก็เลื่อมใสบูชาหล่อนประดุดหล่อนเป็นวีรสตรีหลังจากความตายของหล่อนเขาได้รับบรรดาศักดิ์ขุนนางเป็นเออแต่แม้ในขณะเขายังเป็นคนสามัญเขายังได้ขอร้องพระนางวิคตเรียให้บรรดาศักดิ์แก่แมรีแอน เหตุนี้เองในคริสตศักราช 1,868 แมรีแอนได้รับแต่งตั้งให้เป็นไวเคาลเตสบีคอนฟิวแม้ว่าในการสังคมหลอนจะโง่หรือบกพร่องอย่างหนึ่งอย่างใดก็แล้วแต่เขาไม่เคยตำหนีตีเตียนหลอนเขาไม่เคยเอ่อยว่าจาดุว่าหลอนเลยแม้แต่คำเดียวและถ้าปรากฏว่าบุคคลใดมาแสดงอาการย่อเย้ยดูหมิน่นหลอนเขาจะปราดออกรับด้วยอาการดุร้ายแห่งผู้ป้องกันเกียรติยศของคนที่เขามีความกตัญญู ถึงแมรีแอนไม่ได้เป็นหญิงที่ดีพร้อมแม้กระนั้นตลอดเวลา30ปีหลอนไม่เคยเหน็ดเหนื่อยในการพูดถึงผัวของหลอนด้วยการยกย่องสรรเสริญเขาในทุกๆ ก, กรณีผลหรือท่านเราแต่งงานกันมา30ปีแล้วดิสเรลีกล่าวแต่ข้าพเจ้าไม่เคยเบื่อนายหลอนเลยวงเล็บเปิดมีบางคนคิดว่าเนื่องจากแมรีแอนไม่รู้ประวัติศาสตร์หลอนจะต้องเป็นคนโง่วงเล็บปิด สำหรับดิสเรลีเองเขาไม่เคยปิดบงังผู้ใดเลยว่าแมรี่แอนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อชีวิตของเขาอย่างไรบ้างผลหรือท่านดิฉันรู้สึกขอบคุณในความกรุณาปราณีของเขาแมรี่แอนเคยบอกมิตรสหายของเขาและของหลอนที่ทำให้ชีวิตของดิฉันได้พบความสุขตลอดมาระหว่างคนทั้งสองเคยมีการพูดเล่นกันดังนี้เธอรู้หรือเปล่าดิสเรลีพูดว่าการที่ฉันแต่งงานกับเธอก็อเพื่อหวังเงินเท่านั้นเองแมรีแอนยิ้มตอบค่ะ ดิฉันรู้แต่ถ้าคุณจะแต่งงานกับดิฉันอีกครั้งหนึ่งคุณจะต้องแต่งงานเพื่อความรักจริงไหมคะเขารับรองว่าเป็นความจริงแน่ล่ะแมรีแอนไม่ได้เป็นหญิงที่ดีพร้อมแต่ดิสเรลีฉลาดพอที่จะปล่อยหล่อนให้เป็นตัวของหล่อนเองทั้งนี้ตรงกับที่เฮนรี่เยมกล่าวไว้สิ่งแรกที่จะศึกษาในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นก็คืออย่าแทรกแซงกับการหาสุขในวิธีแปลกๆของเขา นอกจากวิธีนั้นๆจะขัดแย้งอย่างรุนแรงกับวิธีของเราเป็นข้อความสำคัญที่นำมากล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งสิ่งแรกที่จะศึกษาในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นก็คืออย่าแทรกแซงการหาความสุขในวิธีแปลกๆของเขาหรือตามที่ลีแลนด์ฟอสเตอร์วูดได้กล่าวไว้ในหนังสือของเขาเรื่องจเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยกันในครอบครัวซึ่งเขาตั้งข้อสังเกตไว้ความสำเร็จในการแต่งงานเป็นเรื่องที่ไม่เพียงแต่การสแสวงหาคู่ที่เหมาะสมเท่านั้น หากผู้ที่จะเป็นคู่แต่งงานจะต้องเป็นคนที่เหมาะสมด้วยดังนั้นถ้าท่านต้องการให้ชีวิตในครอบครัวของท่านมีความสุขยิ่งขึ้นกฎที่สองมีดังนี้อย่าพยายามเป็นเจ้าหัวใจคู่แต่งงานของท่าน